เรามีความสุขอยู่สองแบบสุขกายกับสุขใจสุขกายก็ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสประัพปะที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขที่ไม่ยืนยาว เป็นความสุขประเดียวประดาสุขแล้วเดียวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็เดือดร้อนกลายเป็นความทุกข์ไปสุขใจนี้เกิดจากการทาใจให้สงบก็บกลุ่มความคิดหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบแล้วก็มีความสุข ความสุขนี้ถ้าสามารถทำได้แล้วก็จะทาก็จะสามารถทำได้เรื่อยๆเป็นความสุขที่แน่นอนกว่าเที่ยงแท้กว่ายืนยาวนานกว่าแต่เป็นความสุขที่เข้ายากกว่าถ้าถ้าเข้าไม่ได้ก็ยังจะไม่ได้ความสุข น, นี้ แต่ถ้าเข้าได้แล้วก็จะสามารถเข้าได้อยู่เรื่อยๆความสุขภายนอกเข้าได้ง่ายกว่าความสุขทางกายเข้าได้ง่ายกว่าถ้ามีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผตภัณฑ์ได้แต่ถ้า เลือกความสุขก็ต้องก็ต้องมีการขวนขวายเพราะว่ารูปบางรูปเห็นแล้วก็ไม่สุขเสียงบางเสียงเห็นแล้วก็ไม่สุครูปเสียงกียริลดโพธิพระบางชนิดเห็นแล้วสัมผัสแล้วก็ไม่เกิดความสุขถ้าอยากจะ เกิดความสุขต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่ถูกอกถูกใจถึงจะเกิดความสุขขึ้นมามก็เลยต้องคอยแส้นหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็ไม่สุขและอาจจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกิดรดที่ไม่ถูกอกถูกใจไม่พอใจแทนที่จะเกิดความสุขก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามนี่คือความสุขสองทางทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายกับทางใจ ม, มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ก็ดีของทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือง่ายออสามารถหามาได้ง่ายแต่ได้มาแล้วมันถ้าได้ซ้ำอีกมันก็จะเบื่ อ, อ, อมันจะเป็นความสุขไม่นาน เ, ออเป็นความสุขที่พอได้มาอยู่เรื่อยๆมันก็จะเบื่อได้เบื่อมันก็จะต้องหาความสุข หาแบบอื่นหารูปเสียงกิดลดแปลกๆใหม่ๆมาให้เสกถึงจะไม่เบื่ออันนี้หรือว่ารูปเสียงกีดลดถ้าเกิดมีปัญหาไม่สามารถหาได้ไม่สามารถเสกได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่มันหาง่ายกว่าความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ต้องใช้การควบคุมบังคับความคิดต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะเกิดความสุขทางใจขึ้นมาความสุขทางใจนี้ก็ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่น่าเบือ่อไม่มีวันเบือ่อ ได้เสพได้สัมผัสกี่ครั้งก็จะไม่เบื่ อ, อแต่มันเข้ายากกว่าจะเข้าได้นี่ยากแต่ถ้าได้แล้วจะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเพราะไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรส ที่เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างพอต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดีก็ไม่สุขหรือบางทีตาหูจมกูกเนื้ายไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเสพจะสัมผัสได้นี่คือข้อเสียของความสุข ทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสื่อมได้หมดได้เบื่อได้แล้วก็ทำให้ติดเอคือจะต้องมีให้เสพอยู่เรื่อยๆเวลาได้ขาดรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะไปก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวย รึกซึมเศรา้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าไม่สามารถหารูปสเสียงกลิ่นรสผลิพภัพฑมาเสพได้ก็เลยอยู่กับความเหงาความว้าเหวก็เลยเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาอัน응นี้คือข้อเสียของความสุขทางตาหูจมูมนกนิ้งกายแล้วก็หลังจากที่ ร่างกายตายไปแล้วก็ยังจะดึงให้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงเกล็ดรดนี้ดึงใจมาหาร่างกายอันใหม่ทําให้ต้องมาเกิดใหม่เพราต้องมีร่างกายถึงจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็เลยต้องพาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆ เกิดกี่ครั้งก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่มีวันจบเพราะความอยากใส่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่หมดเจ็บเท่าไหร่อยากเท่าไหร่ก็ไม่หมดอยากได้อยากเสพเสพแล้วก็อิ่มเดียวๆพอเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความพอความอิ่มก็หมดไป ความอยากเสพก็โผลกขึ้นมาใหม่ก็ต้องเสพไปจนกว่าร่างกายจะหมดสภาพไปออพอช่วงที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ช่วงนั้นก็หาความสุขไม่ได้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาไปจนถึงเวลาตายออพอตายแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้มาเกิดใหม่จะได้มาเซฟใหม่เวลามาเกิดก็ต้องลำบากกับการเลี้ยงดูร่างกายกว่าจะเลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตได้แล้วก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายไปจนวันตายถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสีเมื่อไหร่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อ น, นั้นถ้าไม่สามารถหาอาหารได้ ก, ก็ทุกข์ ไม่มีเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าใส่ก็ทุกข์ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคนี่คือผลเสียส่วนเสียของการมีร่างกายผลดีก็คือถ้ามีร่างกายแล้วสามารถเลี้ยงดูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงให้ตอบสนองความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ก็เป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปบางทีรูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็เสื่อมไปหมดไปก่อนบางทีตาหูจมูกลิ้นกายก็เสื่อมก็หมดไปความสุขทางร่างกายมันจะต้องมีทั้งสองส่วนมีรูปเสียงกดลดิ่นรสผลิตภัณฑมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถเกิดความสุขได้ แต่ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปความสุขก็จะก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาส่วนความสุขทางใจนี้ไม่มีตัวแปรมากไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพแต่ต้องใช้สติสติที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมายากสติ ที่จะทำให้ใจสงบนี้ต้องเป็นสติที่มีกำลังมากกำลังที่สามารถหยุดความคิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ยากคนส่วนใหญ่จึงไม่หาความสุขทางใจกันหาความสุขทางร่างกายกันเพราะาง่ายกว่าทันใจกว่ารวดเร็วกว่าเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อย แล้วก็ต้องหาไปจนจนวันตายแล้วตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่ที่เรามาเกิดกันคราวนี้ครั้งนี้ก็เพราะเรายังมีความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่ยังอยากยังอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่เราก็จะกลับมาเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว เราก็จะไปหาไปรับร่างกายอันใหม่ไปรอไปหาพ่อแม่คนใหม่พอเจอพ่อแม่คนใหม่กำลังผลิตร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็เข้าไปาครอบครองถ้าไม่มีใครไปครอบครองก่อนเราถ้ามีคนอื่นเข้าไปก่อนก็ต้องไปหาที่อื่นเหมือนหาที่จอดรถ ขับรถไปเห็นช่องว่างพอจะเลี้ยวเข้าไปอา้าวอีกคันนึงเลี้ยวเข้าไปก่อนนะเมื่อเข้าเข้าไปจอดแล้วเราก็จอดไม่ได้เราก็ต้องไปหาช่องใหม่เอขับรถวนไปใหม่อ่มันก็การเกิดก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ดวงใจเรานี่ก็จะเป็นดวงวิญญาณาส่งกระแสใจนี้ไป ส่งสัญญาณส่งวิญญาณออไปหาตาหูจมูกดิ้วกายไปหาร่างกายอันใหม่ออก็ต้องส่งไปหาไปเรื่อยๆหาไปตามกำลังออถ้ายังไม่มีกำลังที่จะหาร่างกายของมนุษย์ได้ออถ้ามีบาปติดตัวมาก็อาจจะต้องไปหาร่างกายของสัตว์เลร้ยงาชานก่อนก็ได้ แทนที่จะได้ร่างกายมนุษย์ก็ต้องได้ร่างกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตาหูจมูกนิ้วกายเหมือนกันมันก็เสีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเหมือนกันเแต่ว่ามันอยู่ในสภาพที่อันตรายมากกว่าภัยมากกว่าเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะเ อ, อเขาจะไม่มีศีลธรรมน เขาจะไม่เคารพชีวิตของผู้อื่นถ้าเขาต้องการเขาต้องการอะไรถ้าต้องการถ้าต้องทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเขาก็จะทำะถ้าต้องขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเขาก็จะขโมยแล้วตัวเขาเองก็าจะกลายเป็นเป้าของของสัตว์ตัวอื่นสัตว์ใหญ่ก็กินตัวสัตว์น้อย อยู่แบบที่ไม่สุขไม่สบายเหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่ยังมีการเคารพกฎหมายเคารพกฎศีลธรรมจะไม่กล้าฆ่ากันนอกจากที่เกิดอารมณ์ชั่ววูบที่ไม่สามารถยับยั้งได้หรือมีจิตใจไฝ่ต่ำมีความอยากได้ ของผู้อื่นก็จะไปลักไปขโมยไปป้นไปจี้สำหรับมนุษย์ทั่วไปก็จะเป็นมนุษย์ที่เคารพกฎหมายเคารพศีลธรรมกันเป็นมนุษย์ก็อยู่ปลอดภัยกว่าการอยู่แบบเดรัจฉานนี่คือการเสพการ โดยมีตาหูจมูกลิ้นกายในช่วงที่ไม่มีร่างกายจิตก็ยังเสบกามอยู่เสบลูเสบรูปเสียงกิรลดพุพธะในรูปแบบของมโนภาพหรือในรูปแบบของความฝันภาพมโนภาพที่ปรากฏในใจเราก็คือฝันนีเ่เราเรียกว่าฝันแต่ความจริงมันเป็นมโนภาพ ที่จิตเราสร้างขึ้นมาเพื่อเสดโดยอาศัยมโนภาพภาพรูปเสียงกิรลดต่างๆที่ได้เคยไปสัมผัสมาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีร่างกายเราก็ไปเสบรูปเสียงกิรลดผดทะพากันแล้วเราก็บันทึกรูปเสียงกิ่รลดผดทะพากเหล่านี้ไว้ในใจ พาเวลาเราไม่มีร่างกายเช่นไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้เช่นเวลานอนหลับในเวลาร่างกายตายไปใจก็ยังมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเยอะก็จะเอารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ได้บันทึกไว้ในในใจนี้ออกมาเสบเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ที่เราไปถ่ายไว้ เวลากลับบ้านเราไปท่องเที่ยวเราก็ถ่ายภาพต่างๆพอเรากลับมาบ้านเราไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดดูเอเปิดดูย้อนหลังเอเหมือนช่วงนี้มีฟุตบอลโลกเอถ้าเราดูสดไม่ได้เราก็ยังดูย้อนหลังได้เวลาเราไม่มีร่างกายเราก็ดูสดไม่ได้ดูรูปเสียงกียรติลดพระสดไม่ได้แต่เรายังอยากดูอยู่เอ เราก็เลยต้องอาศัยของที่เราได้บันทึกไว้ดูย้อนหลังที่เราบันทึกก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเวลาดูมันก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอเรื่องไหนเข้าบางทีก็เจอเรื่องดีบางทีก็เจอเรื่องไม่ดีที่เรานอนหลับแล้วฝันดีฝันร้ายเนี่ย <S <s ก็เพราะว่าเราบันทึกเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีไว้ในใจเรา พอถึงเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราดูของสดไม่ได้เสพของสดไม่ได้เราก็ต้องมาดูของของแห้งของที่เรามันเทึกไว้แต่นี่เราบังเราควบคุมเราเลือกไม่ได้เวลาที่เรานอนหลับแล้ว เ, เราไม่มีสติพอที่จะเลือกสั่งให้เอาแต่เรื่องดีมาดูไม่ได้บางทีก็มีเรื่องไม่ดีให้ดูเรื่องหวาดกลัวเรื่องหวาดเสียว เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายต่างๆเพราะในขณะในที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ไปบันทึกไอ้เรื่องวุ่นวายต่างๆไว้เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าเราชอบทําบาปเนี่เราก็จะบันทึกแต่เรื่องไม่ดีไว้ถ้าเราชอบทําบุญเราก็จะบันทึกแต่เรื่องที่ดีไว้เวลานอนหลับเราจึงมีฝันดีฝันลายพระพุทธเจ้า บ, บอก ถ้าเราทําบุญเราก็จะนอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายถ้าเราทำบาปนอนหลับเราก็จะฝันร้ายเวลาตายไปฝันร้ายก็จะเป็นอบาบัยฝันดีก็จะเป็นสวรรค์ช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่ร่างกายตายไปช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเสพมนุภาพ มโนภาพที่ใจผลิตขึ้นมาโดยอาศัย เ, เหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่มาเป็นส่วนประกอบอแต่มโนภาพที่เราเห็นนี่มันจะกลับกันคือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไปทําร้ายใครเวลาเราฝันเวลาเราเสพมโนภาพมันจะ กลับกันจากการที่เราไปทําร้ายเขาจะกลายเป็นเขามาทําร้ายเราเหมือนเราดูกระจกเนี่ยมันจะกลับกันเราเห็นกระจกเนี่ยเราจะเห็นมือซ้ายเป็นมือแขนมือซ้ายเป็นมือขวาด้านซ้ายเป็นด้านขวาด้านขวาเป็นด้านซ้ายมันจะกลับกันเราบันทึกเหตุการณ์ที่ดีเราไปช่วยเหลือคนอื่นเราให้ความสุขกับคนอื่น เราก็จะมีเหตุการณ์พลิกกลับจะมีคนมาให้ความสุขกับเราเออเนี่ยคือเรื่องของใจของเราที่เสพกามจะเป็นอย่างนี้จะต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เสพในขณะที่มีร่างกายและเสพในขณะที่ไม่มีร่างกายก็จะทําทอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด พวกเราทำอย่างนี้มามากมายกายกองนานแสนนานนับจำนวนไม่ได้ว่ากี่กี่ครั้งกี่ล้านครั้งที่เรากลับมาเกิดมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสถ้าอยากจะประมาณอยากจะทราบประมาณก็ให้เราเอาน้ำตาที่เราได้หลังได้ร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ เอามารวบรวมกันไว้มันจะมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราร้องไห้มาน้ำตาเรานี่มากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรแล้วชาตินี้เราลังเราหลังน้ำตาถึงขันหนึ่งไหมถึงแก้าหนึ่งไ้มเราคิดดูว่าจะต้องมาเกิดมาหลังน้ำตากี่ครั้งถึงจะได้น้ำมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือระยะเวลา ของการเวียนว่ายตายเกิดของเราจํานวนภพชาติของเรานี้มากมายมหาศาลไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขต้องประมาณเอาเปรียบเทียบเอาเอาน้ําตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันให้มันมากกว่าน้ํำในมหาสมุทรนั่นถึงจะได้ประมาณของภพชาติที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน นี่คือข้อเสียของการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายส่วนการหาความสุขทางใจนี่ข้อเสียก็คือยากกว่าจะเข้าถึงกว่าจะได้สติกว่าจะทําใจให้สงบได้นี่ต้องใช้ความเพียรความพยายามมากต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ในที่สงบสงัดแล้วก็ต้องไม่กินมากเกินไปกินพอให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอเพราะถ้ากินมากมันก็จะทำให้ว่วงนอนทำให้หลับท ำ, ทำให้ขี้เกียจ แล้วก็ต้องสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้ายอามีแฟนก็ต้องเลิกจากกอกแฟนมีความสุขทางสังคมมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ก็ต้องเลิกความสุขจากการไปท่องเที่ยวก็ต้องเลิกความสุขจากการไปช้อปปิง้งซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่าง ต้องตัดไปหมดต้องไปอยู่แบบขอทานยินดีกับอาหารที่ได้แบบขอทานกินเพื่ออยู่กินเพื่อดับความหิวไม่ได้กินให้เกิดความสุขใจอิ่มหนำสำราญใจกินแบบกินยาเวลากินยานี้ไม่มีความสุขใช่แต่ต้องกินเงนใช่กินเพื่อรักษาร่างกาย กินอาหารก็ให้กินแบบนั้นกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขความอิ่มหนำสำราญใจนี่แหละมันถึงยากที่จะเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขทางใจได้แต่ถ้าเข้าได้แล้วมันจะเป็นความสุขที่ยาวนาน ถ้าเข้าได้แล้วชีวิตทั้งชีวิตนี้จะสบายไปจนถึงวันตายแต่ความสุขทางใจนี้ก็มีสองระดับระดับชั่วคราวกับระดับถาวรระดับชั่วคราวก็ยังจะมีการทาให้เรากลับมาเกิดได้คือถ้าเราทำใจให้สงบได้ เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่กำลังของสติที่ส่งใจให้สงบไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้มันจะเสื่อมได้พอเสื่อมความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ยังไมไ่ได้รับการกำจัดด้วยปัญญามันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะดึงใจให้ตกจากความสงบออกจากความสงบ เพื่อมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสตอนต้นก็เสพตอนที่ถ้าตอนที่ไม่มีร่างกายก็เสบในมนโนภาพไปก่อนเสบในระดับของเทวดาอยากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสในมนโนภาพแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็มา เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานส่วนใหญ่ถ้าลงมาจากข้างบนจะไม่ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีบาปดึงให้ไปต่ำพวกที่ไปสวรรค์ชั้นพรมนี้เขาไม่มีการทำบาปกันเขามีแต่การรักษาศีลมีแต่การทำบุญทาทานเสียสละข้าวของเงินทองไม่ต้องการมีข้าวของเงินทองมากกว่าความจําเป็น แต่ความอยากใ น, นการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสยังไม่ได้รับการกําจัดอย่างถาวรเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ด้วยกําลังของสติเวลาฝึกสตินี้เราจะกดความอยากในรูปเสียงกดลิ่นรสไว้ใจก็จะสงบแล้วก็มีความสุขแต่พอสติเราอ่อนเมื่อไหร่อ่อนกาลังลดลงไปเมื่อไหร่ความอยากเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะ เกิดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาถ้าถ้าใช้สติก็หยุดมันได้พอรู้ว่ามันอยากจะเสพก็ใช้สติพุโทโธพุธโทโธหรือเพ่งดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หยุดความคิดความอยากมันก็จะสงบตัวลงไปแต่มันไม่ตายด้วยสติไม่มีใครรู้วิธีกำจัดความอยากให้หายไปอย่างถาวรในยุคที่พระพุทธเจ้า ยังไม่ได้ตัดสะลุในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาจากใครจากอาจารย์ต่างๆก็มีแต่รู้วิธีใช้สติควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้มันหยุดทำงานชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าเสื่อสติเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมา ท, ทันทีไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไร ถึงจะให้ความอยากเหล่านี้หมดไปไม่มีใครรู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบทําใจให้ทำให้ใจกระตือลือล้นกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพระพุทธเจ้าไปศึกษากับใครก็ได้แค่ระดับสติคือระดับฌานมีสติก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ เข้าสู่รูปปัจจานารูปปัจจานได้แต่ไม่มีใครรู้ความสุขไม่มีใครรู้วิธีกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่รู้ว่าความอยากที่มีอยู่ในใจนี้เป็นตัวที่ผลักดันให้จิตต้องออกมาเสพมาหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายกัน เมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าสู้ผู้มีความปรารถนาที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ต่างๆโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้เวลาความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความจความตายนี้จะดับก็เฉพาะเวลาที่จิตสงบจิตเข้าสมาธิก็จะไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย แต่พอออกมามาเห็นร่างกายมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าจะกำจัดมันได้อย่างไรมีพระพุทธเจ้าที่ทรงทดสอบดูว่าทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดก็ทรงค้นพบว่ามันเกิดจากความอยาก อยากอยู่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑจึงทำให้อยากให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายจึงทำให้ทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่ถ้าเวลาเข้าสมาธิความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม <|so|> ่เจ็บไม่ตายมันหยุดทางานใจก็หายทุกข์ ก็เลยสรุปว่าเกิดจากความอยากฉะนั้นต้องทำลายความอยากวิธีทำลายความอยากก็คือต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี้ได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขแก่ช่วงคราวชั่วขณะเริ่มต้นเวลาที่ได้มาก็สุข แต่แล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเสื่อมไปพอมันเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอย่าไปอยากได้อะไรเวลาอยากได้อะไรถ้าไม่ไม่ทาตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปความอยากก็จะหมดกําลังไป นีพ่พระพุทธเจ้าเลยทรงคนพบวิธีที่จะทําให้ใจสงบไม่ทุกอย่างถาวรความสุขจากสมาธินี้จะสงบจะสุขชั่วคราวชั่วขณะที่ควบคุมความอยากได้ขณะใดเวลาใดที่ควบคุมความอยากไม่ได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาสิ่งที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรก็คือปัญญา เพราะความอยากนี่มันเกิดจากความหลงลึกเกิดจากความไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของชั่วคราวสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็มีวันต้องพัดภาคจากกันพอเกิดการพัดภาคจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็น พอเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันต้องมีวันพัดภ่าจากกันหรือว่ามันควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่เอาดีกว่าได้ความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวพอมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ้าเกิดแต่งงานกัน ไม่ได้กี่วันเกิดตายกันแฟนตายไปความสุขที่ได้จากแฟนก็หมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันตายกันมีวันสอบมีวันจบมีวันหมดที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปกันแล้วต้องมาเจอกับสิ่งที่เรารักที่เปลี่ยนไปจากกาย จากสิ่งที่เราลักกลายเป็นสิ่งที่เราเกลียดขึ้นมาก็ทุกข์ทำไมเราลักเขาแล้วทำไมเราถึงมาเกลียดเขาได้ก็เพราะเขาเปลี่ยนไปตอนที่เราลักเขาเพราะเขาทำอะไรตามใจเราทุกอย่างพอเขาไม่ทำอะไรตามใจเราเราก็เกลียดเขาละเขาก็เปลี่ยนไปความสุขที่เขาให้เราก็กลายเป็นความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้สอนใจเรา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่เป็นสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปมีอะไรอยากไปอยากได้อะไรอยากไปอยากเสพอะไรอยากอยาไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอไม่อยากเสพแล้วมันก็ใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุขกับความสงบโดยที่ไม่ต้องมีอะไรให้มาให้กับให้ความสุขกับใจที่ความสงบที่ได้จากสมาธินี่มันสงบชั่วคราวเพราะเราใช้กำลังสติคอยกดความอยากไว้พอกำลังสติเราอ่อนเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะดันออกมา มาสร้างความหุดหงิดสร้างความลำคาญใจสร้างความเหงาสร้างความว้าเหวเศร้าซ้อยต้องไปหาอะไรมาเสพถึงจะหายเหงาใช่ไหมอยู่เฉยๆคนเดียวเดี๋ยวก็เหงาต้องไปหาเพื่อนพอไปหาเพื่อนมีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันก็ลืมความเหงาไปเดี๋ยวพอต้องกลับไปอยู่คนเดียวเหงาอีกละ หรือเดี๋ยวถ้าอยู่กับเพื่อนนานๆเดี๋ยวก็เบื่อแลเดี๋ยวก็อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาอีกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกเวลาอยู่คนเดียวก็ทุกข์เวลามาอยู่กับเพื่อนก็ทุกข์อีกก็ต้องกิ้งไปกิ้งมาพอทุกข์กับเพื่อนก็กลับไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์พออยู่คนเดียวก็กลับไปหาเพื่อนอีก กลับไปกลับมาเนี่ยนี่คือฤทธิ์ของความอยากมันจะทําให้เรานี่ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้เกิดจากการที่ไม่มีความอยากอยู่ในใจถ้าไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้าง ความรู้สึกกดกรดลำคาญใจความซึมเศร้าความเหงาความว้าเหวเออพอไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ในใจก็อยู่เฉยๆได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเสพอะไรก็ได้ อ, อันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นแรกเราก็ทำจิตให้สงบด้วยสติก่อนเพราะมันต้องผ่านขั้นแรกถึงจะไปขั้นที่สองได้ เพราะว่าถ้าไม่มีขั้นแรกเราจะไม่มีที่เลือกทางเลือกเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่มีความสงบเป็นทางเลือกเราก็จะต้องทํำตามความอยากเพื่อกาจัดความหงุดหงิดความลำคาญใจความเศร้าส้อยงหเงาความว้าวเวยต่างต่างแต่มันก็กาจัดได้ชั่วคราว เ้าเดี๋ยวก็กลับมาหาใหม่กลับมันก็จะกลับมาใหม่พอเราต้องอยู่คนเดียวก็เกิดความเหงาความเศร้าซ้อยความหงุดหงิดความว้าเหว่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาถ้าเรามีความสงบอยู่แล้วเราเห็นด้วยปัญญาเราก็บอกว่าเรากลับมาหาความสงบดีกว่าเราอย่าไปทําตามความอยากดีกว่า พอเราไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบเราก็มีที่ที่ที่พึ่งคนที่ทําใจให้สงบไม่ได้ก็จะไม่มีที่พึ่งเวลาเกิดความเหงาความว้าเหวขึ้นมาไม่รู้จะทะําไงก็ต้องทําตามความอยากถึงจะหายเหงาถ้าไม่ทําตามความอยากก็จะยิ่งเหงาหยิ่งเศร้าใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ อาจจะทนไม่ไหวอาจจะถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็ได้เอแต่ถ้าคนที่มีที่พึ่งทางความสงบพอรู้ว่าเกิดความอยากขึ้นมาเอรู้ว่าการทําตามความอยากนี้มันจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันจะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเอก็อย่าไปทํามันดีกว่ามาทําใจให้สงบดีกว่า มาพุโทโธพุโทโธมาหยุดอหยุดความอยากหยุดอารมณ์ที่หงุดหิดลำคาญใจอพอใจสงบแล้วก็สบายความอยากก็หายไปแล้วต่อไปความอยากมันโผล่มากี่ครั้งเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเราไม่ตอบสนองความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังมันจะไม่สามารถมาสร้างความรู้สึก เหงาเศร้าซอยหงอยเงาว่าเวมาสร้างความหุดหงิดลำคาญใจไม่พอใจเอต่างๆได้ใจก็จะได้พบกับความสงบที่ถาวรเพราะตัวที่มาทําลายความสงบนี้ถูกทําลายไปตัวที่มาทําลายความสงบก็คือความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเอความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากรวยอยากสวยอยากใหญ่อยากโตอยากาให้มีคนยกย่องสรรเสริญเยนย อ, อหรืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายาถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแนละ้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบ ท, ท, ที่เราได้ทำที่เกิดจากการทำใจให้สงบ นี่คือความสุขที่ถาวรแล้วเป็นความสุขที่จะยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีความอยากสวยอยากงามอยากหลอ่ออยากเก่งอยากอะไรต่างๆก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกาย นี่ก็ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรายุติลงการเกิดแก่เจ็บตายที่มีมาเป็นเวลาอันยาวนานจอยกระจนน้ำตาของเราที่หลังนี้มากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรก็จะมีวันสิ้นสุดลงการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็จบลงที่การกําจัดความอยากทั้งสามนี่ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็ต้องมีร่างกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามก็ต้องมีร่างกายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะไม่มีถ้าไม่มีร่างกายถ้ามีมันก็จะมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขณะที่มีก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเพราะห้ามมันไม่ได้อยากไม่อยากไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายแต่จะหยุดความทุกข์ได้ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นี่คือความสุขที่ทีใจที่จะทาวอนี้จะต้องทำสองระดับด้วยกันสองขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกก็ทํความความสงบในระดับชั่วคราวก่อนด้วยสติด้วยการควบคุมใจหยุดความคิดหยุดความอยากใจก็เข้าสู่ความสงบได้แต่พอเวลาออกจากความสงบมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทำไมเราไม่ควรทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี้มันจะต้อง ทำไปเรื่อยๆแล้จะต้องไปเจอความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะหมดมันก็หมดหรือให้มองนะสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่น่าดูไม่น่าเสพเช่นเรา อยากได้คนที่หน้าตาสวยงามหล่อเหลามาเป็นแฟนถ้าเรามองในภาพที่ไม่สวยไม่งามของเขามันก็จะทําให้เราไม่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนทําให้เราอยู่คนเดียวก็ได้แต่ถ้าเราไปมองแต่ภาพสวยๆงามๆภาพที่เราชอบเราก็จะอยากได้เราต้องมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาบ้าง เช่นมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังมองให้เห็นอาการต่างๆที่ผิวหนังหุ้มห่อไว้เช่นกะโหลกศีรษะโครงกระดูกเช่นหัวใจปอดหลบไตลำไส้เรื่องของสกปรกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่ขับถ่ายออกมาถ้านึกถึงสิ่งเหล่านี้มันก็ จะทำให้เราคลายความหลงความอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองของเราได้หรือมองถึงความตายของเขาก็ได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายเวลาตายเราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมมาอยู่มาเหงาเหมือนเดิมมาทุกข์เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราเปลี่ยนกี่คนเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันทุกครั้งไปไม่มีวันที่จะ อยู่กันไปได้อย่างตลอดอย่างถาวรอันนี้ก็เป็นการใช้ปัญญาเพื่อใหเราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆมองให้เห็นว่าไม่เที่ยงต้องมีวันหมดมองใหเห็นว่าไม่สวยงามส่วนที่สวยงามน้เป็นเพียงครึ่งเดียวส่วนที่ไม่สวยงามก็มีถูกปิดบังถูกคุ้มหอ่อเอาไว้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้ถ้าคิดแล้วมันยังไม่ยอมหยุดก็ต้องเข้าไปในสมาธิหยุดด้วยสมาธิด้วยหยุดด้วยปัญญาด้วยปัญญาบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องหยุดเมื่อเราเราอยากจะหยุดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าสมาธิเราอ่อนกำลังเราก็ต้องมาทำสมาธิมาทำใจให้สงบให้หยุดความอยาก ความอยากที่จะไปทําอะไรตามความอยากต่างๆพอใจสงบความอยากมันก็จะหมดไปแล้วต่อไปมันก็จะความอยากมันก็จะหมดไปเพราะถ้าเราไม่ทําตามความอยากแล้วมันก็จะไม่มารบกวนเราเหมือนเวลาที่เราสูบบุหรี่ถ้าเราอยากจะสูบถ้าเราไม่สูบต่อไปความอยากมันก็จะไม่มา มันก็จะอ่อนลงไปกำลังความอยากจะอ่อนไปทุกครั้งที่เราไม่ทาตามความอยากเราต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดไปแต่จะไม่หมดไปเพราะเราฝืนอย่างเดียวมันจะหมดไปเพราะเราเห็นโทษของมันการจะเห็นโทษของมันนี้ต้องเป็นปัญญาปัญญาจะเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยาก เห็นความจริงของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สวยงามมันจะต้องเปลี่ยนไปวันวันนี้สวยแต่วันพวกนี้มันจะไม่สวยวันนี้มันดีพวกนี้มันจะไม่ดีวันนี้มันอยู่พวกนี้มันจะหมดใอ้คิดอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะรู้ว่าการทำตามความอยากนี้ จะพาให้เราไปต้องไปพบกับความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเอาสิ่งที่เราอยากได้อย่าไปมีสิ่งที่เราอยากมีอย่าไปเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะเป็นแล้วเดี๋ยวเวลาหมดมันจะเสียใจเป็นนายกก็ดีใจกันพอเดี๋ยวตกเก้าอี้ไม่ได้เป็นนายกก็เสียใจเห็นอยากเป็นอะไรดีกว่า พอเป็นแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไม่ช้าก็เร็วนี่คือปัญญาการที่เราจะทำลายความอยากได้ต้องทำลายด้วยปัญญาถ้าทำลายทำทลายด้วยสติมันจะเพียงแต่กดเอาไว้จะหยุดมันไว้แต่มันจะไม่ตายเหมือนต้นไม้ถ้าเราตัดต้นมันออกถ้าเรายังไม่ถอนรากเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้ไหม ถ้าต้องการให้ต้นไม้ตายอย่างถาวรเนี่ยเราต้องถอนรากของมันขึ้นมาจากดินพอไม่มีรากแล้วต้นไม้มันก็จะ อ, อยู่ต่อไปไม่ได้จเจริญงอกงามขึ้นมาไม่ได้ความอยากมันก็มีรากรากของความอยากก็คือความหลงความหลงผิดเห็นสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นทุกว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ว่าเราสามารถควบคุมบังคับมันได้มันเลยทาให้เราต้องทุกข์กัน ต, ต้องอยากกันเพราะเห็นว่าเป็นสุขแต่ความจริงเป็นทุกข์แต่พอได้มาแล้วก็ถึงจะมารู้ทีหลังว่ามันเป็นทุกข์ รู้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปมันหมดไปอันนี้ถ้ามีปัญญารู้ก่อนล่วงหน้ามันก็จะทำให้เราไม่เอาดีกว่าอยากได้อะไรไม่เอาดีกว่าได้แล้วต้องทุกข์เป็นความสุขตอนต้นเดี๋ยวความสุขนั้นเดี๋ยวก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต้องมองให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะหยุดความอยากได้ เลยต้องเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามไม่น่าดูดูเราเห็นแต่ส่วนที่น่าดูแล้วเราคิดว่ามันน่าดูแต่เราไม่มองเข้าไปในส่วนที่ไม่น่าดูถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่น่าดูเราก็จะได้ไม่อยากได้ดูตอนที่เขาตายไปถ้าเป็นร่างกายก็ดูตอนที่เขาตายไปพอเขาตายไปนี้เราไม่อยากได้เลย อยากจะยกให้คนอื่นไปแลนะยกให้สั บ, ปสบปเปล่ไปแต่วันลังยังมีลมหายใจนี่ใครมาขอก็ไม่ให้โหดเด็ดตีนขาดยังไงก็ให้ไม่ได้เรามองเพียงซีกเดียวเรามองด้านสุขด้านดีเราไม่มองด้านที่ไม่สุขด้านที่ไม่ดีเราเลยหลง ไม่เห็นตายรักษก็เรียกว่าคือความหลงไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอสุภะแต่อาหารก็ไม่เห็นอุจจาระอาหารอุจจาระก็คืออาหารแต่ไม่ยอมมองมันมองแต่อาหารตอนที่มันอยู่ในจานแต่เวลาที่มันมาเป็นอุจจาระนี่ไม่ยอมมองมันมันก็เลยทําให้หลงติดกับอาหารอยากจะกินอาหารอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอุจจาระมันก็จะไม่อยากกินอันนี้คือปัญญาที่จะแก้ความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากพอเห็นความจริงแล้วก็ไม่อยากได้พอรู้ว่าได้คนนี้มาแล้วเดี๋ยวต้องตายจากกันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องน้องห่มน้องให้กันหรือว่าถ้าได้กันมาแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้มาสามวันแล้วเขาเป็นอามภพกรรมภาสนี้จะเอาไห นี่ต้องมาเลี้ยงเขาตลอดชีวิตก็ไม่อยากได้ต้องเห็นความเสื่อมเห็นความสิ้นสุดของสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันสวยงามมันไม่เป็นอย่างนั้นไปตลอดมันจะต้องมีวันจบวันเสื่อมวันไม่ดีต้องเห็นส่วนที่ไม่ดีของชีวิต เราชอบไปมองแต่ส่วนที่ดีเราเลยเกิดความอยากได้ขึ้นมาอยากกลับมาเกิดอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเห็นโฆษณานี่ก็จะมีแต่คนหนุ่มคนสาวออกมาเต้นรำเต้นกล้ามาทำอะไรต่างๆให้ดูเห็นแล้วก็โอยอยากจะเป็นเหมือนกับเขาไม่เอาคนแก่นอนโรงพยาบาลหมอฉีดยามา ฉายให้ดูกันไม่มองไม่เอาซากศพมาฉายให้ดูกันเมันก็เลยหลงกันหลงกับชีวิตอยากจะมีชีวิตอยู่พออยู่ไม่ได้ก็ทุกข์ น, นี่คือปัญญาเรามองโลกเพียงครึ่งเดียวมองไม่ครบถ้วนบริบูรณ์มองเพียงเพียงด้านดีมองแต่ด้านบวกไม่มองด้านลบด้านไม่ดี มันมาด้วยกันไม่ได้เป็นการมองโลกในแง่ไม่ดีแต่มันเป็นการมองให้มันครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเราต้องการกําจัดความอยากต้องมองให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเราไม่ต้องการกําจัดความอยากก็ไม่ต้องมองไม่ต้องดูวสุภาไม่ต้องดูอนิจจังดูแต่ว่ามันเป็นนิจจังสุขขังไปเห็นอะไรก็สวยก็งามอยากจะได้เห็นอะไร ก็คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขก็ได้ก็หากันทุกวันนี้ก็ทากันอย่างนี้อยู่ถึงติดถึงติดกับความอยากถึงติดกับการที่จะต้องกลับมาเกิดมาหลังน้ำตาให้มากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรก็เพราะความเห็นเห็นส่วนที่ดีเห็นครึ่งเดียวเห็นส่วนที่เป็นสุขแต่ไม่ยอมมองส่วนที่เป็นทุกข์ด้านที่เป็นทุกข์ไม่ยอมมองมองแต่ด้านที่สุขด้านที่ดี ด้านที่ไม่ดีด้านที่ทุกข์ไม่ยอมมองกันมันเลยหยุดความอยากไม่ได้พออยากแล้วมันก็ติดติดแล้วก็เลิกยากพอติดอะไรแล้วมันเลิกยากอันนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนเรื่องปัญญานี้จะไม่มีใครรู้เรื่องอื่นนี้ก็พอที่จะรู้กันเรื่องสมาธินี้ ก็พอจะรู้กันมีคนฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบกันมีความสุขจากสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นหายไปไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร<ม>ก็เพียงแต่รู้ว่าเกิดจากการไม่มีสติแต่ความจรงิงการไม่มีสติเป็นเพียงแต่ตัวที่เปิดโอกาสให้ตัวที่มาทาลายความสงบมันได้มาท ำ, ทำงานท่านั้น ก็คือความอยากแล้วก็ไม่รู้ว่าความอยากเกิดจากอะไรมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาพิจารณาวิเคราะห์ถึงรู้ว่าเวลาออกจากสมาธิพอสติอ่อนกําลังลงความอยากมันที่ถูกกดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมามาทําให้ใจร้อนทําให้ใจไม่สบายขึ้นมาแล้วถ้าไปทําตามความอยาก มันก็ทําให้ความร้อนความไม่สบายใจหายไปชั่วคราวแต่มันไม่หมดเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันหมดไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาก็ต้องไม่ทําตามความอยากจะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ความหลงความหลงที่เป็นตนตัวหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันดี แต่ความจริงแล้วมันมีทั้งสุขแล้วมีทั้งไม่สุขนะผสมกันมาตามมาทีหลังมันจะสุขมันจะดีตอนตอน้นแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะกลายเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นไม่ดีไปต่อไปอันนี้เรามองไม่เห็นกันเรามองด้านเดียวไม่มองให้ครบทั้งสองด้านเราจึงหลงกันอยากกัน แต่ถ้าเรามามันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันรีตอนต้นสุกตอนต้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ไปเดี๋ยวมันจะเสื่อมเดี๋ยวมันจะหมดไปถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เนี่ยทุกวันนี้ที่เราทุกข์เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับของที่เรามีใช่ไ มีก็กลัวมันหมดเนี่ยก็ทุกข์ละแล้วลเวลามันหมดก็ทุกข์เวลามีเงินก็ดีใจได้เงินมาดีใจทีนี้ก็ทุกข์กับมันทําไงไม่ให้มันหมดเี่ยเเออดี๋ยวมันหมดก็ทุกข์ก็ต้องคอยหาหาก็ทุกข์เพราะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทมันก็เหนื่อยเอเเราไม่คิดกันเอไม่คิดว่าทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราไปยึดไปติด ไปอาศัยให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นของที่มันจะหายไปได้หมดไปได้เราเลยต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดเราไม่สามารถหามาได้เติมได้เราก็จะทุกข์มากขึ้นไปอีกตอนต้นก็ทุกข์กับการหาทุกข์กับความกังวลแล้วพอพอไม่สามารถหามาเติมได้เท่ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่มีแต่ความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกัน ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยยังต้องวิเคราะห์ให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพราะว่าเวลาใดเราไม่มีเมื่อไหร่เราจะทุกข์ทันทีขาดไม่ได้พอาขาดอะไรไปนี่เริ่มทุกข์ขึ้นมานะในขณะที่มีก็ทุกข์เพราะกังวลและขณะที่หามาเติมก็ทุกข์เพราะต้องเหน็ดเหนื่อยงนั้นมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นชีวิตของเราในแต่ละวัน ความสุขที่ได้ก็แป๊บเดียวแต่เก้าสิบเก้าอร์ซนนี้มีแต่เรื่องของความทุกข์มีแต่ความสุขเพ่เปอร์เซ็นต์เดียวแป๊บเดียวแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นนอกจากเราได้มาพบกับเนี่ยพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระอริยสงสาวกที่จะสอนเราให้รู้ว่ามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าที่ปลอดภัยที่ปราศ จ, จากความทุกข์ ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็คือวิธีของสติและปัญญาขั้นต้นก็ใช้สติทำใจให้สงบให้เกิดความสุขให้รู้ว่าความสุขของใจเป็นอย่างไรวิเศษอย่างไรขั้นที่สองก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่ง เก็บไว้ให้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้จะต้องมีวันพัดภาคจากกันอถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะเห็นว่าเรากําลังไปหาความทุกข์กันเราก็หยุดมันเสียอย่าไปกลับมาหาความสงบทําใจให้ฝืนความอยากอถ้าความอยากมันมีกําลังมากเราก็ใช้สติช่วยได้ใช้พุโทโธนั่งสมาธิไปหยุดมันไป แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดฤทธิ์เนี่ยแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขกายกับสุขใจความสุขใจนี่ดีกว่าความสุขกาย ความสุขกายนี้ต้องมีความทุกข์ผสมมาความสุขใจไม่มีจะมีก็มีตอนต้นตอนที่สร้างความสุขใจนี้ต้องทุกข์มากเพราะต้องเพราะต้องสละความสุขทางร่างกายไปแต่พอได้ความสุขใจแล้วทีนี้มันก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดฉะั้นคนฉลาดก็จะเลือกหาความสุขใจคนโง่ก็จะหาความสุขกายต่อไป เพราะมันง่ายกว่ามันรวดเร็วกว่าทัานใจกว่าแล้วค่อยมาใจค่อยมาร้องห่มร้องหายทีหลังกันอาลาณนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิติต่างปะติตามตุมหางกิปะเมวาสามิตาตุสัพเพุเรนตุสังกบาจันโทปนาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตตุอันตารายุ สุขีทีขายุโกภวาพิวาธนศิลิสะนิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุกเข้ามา สี่ร้อยสิบแปดยูทหนึ่งร้อยยี่สิบหกทางวิทยุสามสิบสี่รับฟังข้างบนนี้สามสิบเก้าคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยสิบเจ็ดพอดีเพิ่งศึกษาธรรมะค่ะแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของไตภูมิค่ะก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้ไตภูมิไตพไตภูมิก็คือไตพคือพบที่ดวงวิญญาณของพวกเราไปอยู่กัน หนึ่งมนุษย์นี้ก็อยู่ในกามะพค่ะกามะพภนี้ก็เป็นที่อยู่ของหลายพวกเทวดาก็กามะพภะมนุษย์ก็อยู่ในกามะพภะเดลาชานก็อยู่ในกามะพภเปรตอสูรลกายนรกนี่ก็อยู่ในกามะพภคือพวกที่ยังเสพกามอยู่กามก็คือเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะถ้าเรายังอยากยังมีความอยากเสพกามเราก็จะ ต้องอยู่ในพพนี้พบใดพพหนึ่งไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเดลชาไม่เป็นเดลฉาก็เป็นเปรตเป็นอสอรกายเป็นนรกหรือเป็นเทวดาเป็นสวรรค์แล้วแต่บุญหรือบาปที่เราทำค่ะคือสงสัยชั้นภรมค่ะที่เป็นรูปภิกับอัลลูปภเนี่ยพอดวงจิตไปเกิดที่นั่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าบางทีมันสงบไงมันได้ฌาน เวลานั่งสมาธิจิตสงบได้รูปปัจจานจิตก็เป็นโผมขึ้นมาคือเหมือนกับมีอายุอยู่ตรงนั้นประมาณยาวนานมากแล้วก็คือจเจริญภาวนาตลอดเวลาเลยอย่างนี้เหรอคะ เ, ออเวลาเวลาตายไปไม่ต้องภาวนาแล้วเพราะว่ามันตอนนั้นภาวนาไม่ได้ตอนนั้นมันเหมือนกับส่งจรวดขึ้นไปออกจากฐานแล้วทีนี้มันก็อยู่ที่กําลังของจรวด ที่จะพาให้ไปอยู่โพลเนอรก็คืออยู่นิ่งๆอยู่ตามตามภพภูมิต่างๆตามระดับชั้นที่ติดดวงจิตไปถึงใช่ไหมคะอยู่กำลังของสติที่เราสร้างไว้ค่ะแล้วในส่วนของอรูปภูมิค่ะเห็นบอกว่าคือพอไม่มีรูปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถรับอายตนะทั้งหได้ค่ะทําให้การพัฒนาติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพัฒนาไม่ได้ ตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาพัฒนาก็คือเหมือนกับคงสถานะอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอหมดเวลาก็คือกลับมาเกิดใหม่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าบุญกรรมที่ทำไว้จะวนเวียนมาเกิดที่ภพภูมิไหนอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอ่าใช่ในที่สุดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นจุดที่เราจะกลับมามาเพิ่มมาพัฒนาหรือมาทาให้จิตเสื่อมค่ะแล้วในส่วนของอย่างมิพานนะคะเหมือนกับจุดสูงสุดของ ความความมุ่งหมายสูงสุด ข, ของศาสนาคือนิพพานแต่ดวงจิตที่เข้าสู่นิพพานเนี่ยคือเหมือนหายไปเลยว่างหรือว่ายังไงอ๋อไม่หายาก็ยังอยู่อยู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นพรหมขึ้นไปอย่างคนที่ได้นิพพานดวงจิตก็จะไปอยู่รวมๆกันไม่มีรวมกันจิตไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่ค่ะมันนี่เหมือนร่างกายร่างกายต้องมีรูปร่างถึงจะอยู่รวมกันถึงต้องมีที่อยู่แต่จิตมันไม่มีรูปร่างมันเลยไม่ต้องมีที่อยู่ เราก็จะไม่รู้สึกแม่อะไรแล้วก็ไม่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่รู้สึกว่าเราสุขเราสบายเราไม่มีความอยากเราไม่มีความทุกข์เรามีความอิ่มความพอความความสบายไปตลอดค่ะอขอบคุณค่ะ ธ ร, รมศสการค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ใช่คําถามค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนของเป็นคนที่หนูรู้จักอะค่ะตอนนี้คือป่วยแล้วก็ตอนนี้ติดตามพระอาจารย์อยู่คืออยากให้พระอาจารย์ช่วยบอกเวลาที่ยังตอนนี้เหลือน้อยที่สุดแล้วเจ้ค่ะก็ฝึกสติไงมาสร้างความสุขทางใจเพราะตอนนี้เราใช้ร่างกายไม่ได้หาความสุขทางร่างกายไม่ได้เราก็ลองมาหาวิธี หาความสุขแบบใหม่ความสุขแบบใหมบบให่ก็คือการใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาร่างกายจะเจ็บยังไงก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขทางใจมันยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทางร่างกายมันจะกบความทุกข์ทางร่างกายได้มีปิติ ม, ตมีสุขมีอุเบกขาใจจะไม่ มีอารมณ์กับความเจ็บป่วยความเจ็บของทางร่างกายตอนนี้ขยันเจริญสติขยันพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดพุทโธพุทโธไปถ้าเหนื่อยก็ดูลมหายใจเข้าออกสลับกันไปถ้านอนอยู่ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือไม่เช่นนั้นก็พุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปทำอย่างไรที่เราทำได้ทำไป ขอให้เราอย่าไปคิดถึงร่างกายอย่าไปคิดถึงกา ร, การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคิดแล้วมันจะทาให้เราทุกข์ถ้าเราไม่คิดเราลืมมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันหัวใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถามต่อครับกาบนระัมสการ์พระอาจารย์ครับคือตอนนี้อาจารย์สแวงหาคืออยากจะสิ้นพพสิ้นชาติไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับ ผมอยากกราบในมาตรการก็ว่าจะขอมาบวชแล้วก็ขอกราบไอ้ขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์สักคนหนึ่งได้ไหมครับคือเราเ ร, เราไม่ได้เป็นเจ้าของวัดเนี่ยแล้วรับคนไม่ไดค้คนจะมาอยู่นี่ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสครับแต่เขารับถ้าอยากจะมาอยู่ข้างบนนี้ก็ต้องดูว่ามีที่หรือเปล่า ที่นี่ก่อนจะรับคนก็ต้องให้มีการทดสอบความสามารถก่อนว่าจะอยู่แบบที่เราอยู่กันได้หรือเปล่าครับยั้นส่วนใหญ่คนที่จะมาอยู่วัดนี้จะต้องพักอยู่ที่ข้างล่างก่อนถ้าเขามีที่เขารับข้างล่างก็อยู่ข้างล่างไปก่อนเพราะปีแรกเขาจะให้เรียนก่อนให้เรียนนักทมตรีก่อนครับวันจบนักทำตีแล้วถ้า ข้างบนมีที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะขึ้นมาแล้วข้างบนเขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะมาอยู่ได้เขาก็จะให้เรามาอยู่ครับเพราะว่าข้างบนก็มีการปฏิบัติที่ต้องมีต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะไม่ให้อยู่ครับคือมองเห็นทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่นะครับมองเห็นทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ไม่อยากจะเวียนตายเวียนเกิดอีกนะครับดีดีเห็นอย่างงี้ดี การมาบวชคําว่าภิกษุคือผู้เห็นเห็นภายในวัฏฏะสงสารครับเห็นภายในการเกิดแก่เจ็บตายครับถ้าบวชอย่างนี้ก็เป็นบวชตามที่พุทธเจ้าตั้งใจให้บวชไม่ใช่บวชเพราะหนีหนี่หนีหนเมีย <c oughs> <c oughs> มีหนีหนีเมียหรือเปล่าไม่มีครอบครัวครับไม่ไม่หนีหนี่ไม่มีอะไระไม่มีนี่ไม่มีครอบครัวครับ พอคนมาบวชก็จะถามก่อนว่าดีอะไรมาหรือเปล่า <c oughs> เป็นโลกเอดเขาก็ไม่ให้บวชถ้าไปทาผิดกฎหมายจะมาบวชเขาก็ไม่ให้บวชก่อนจะบวชเขาให้ไปไปไปไ ป, ไปขอใบรับประกันจากตำรวจก่อนว่าไม่มีคดีแล้วก็ต้องไปให้หมอตรวจเลือดก่อนว่ามีเชื้อเอดอยู่หรือเปล่าขบังเอินที่ผมเปิดยู u ู e ดูพ้าจาย์ผม มีความศรัทธาเรื่อมใส่ในพระอาจารย์นะครับเอ่อก็เลยยะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับคือสมมุติว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็มีวัดที่ดีเยอะแยะวัดป่าตามภาคอีสานวัดสายหลวงตามาบัวนี่กับครูบาอาจารย์ลูกไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถศึกษาผ่านทางยูทูบได้ครับอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถฟังเทศฟังธรรมเราได้ทุกวันครับ ดังนถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจบวชอยู่ที่วัดที่เป็นวัดปฏิบัติเหมือนกันครับแล้วก็ติดตามถ่ายทอดสดได้อ่านหนังสือธรรมะได้ครับนะเพราะฉะนั้นเพราะที่นี่มันมีที่จํากัดตอนนี้เต็มหมดแล้วที่ที่ภากที่อยู่ของรพระเนี่ยดังนั้นจึงยากที่จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แต่ไม่ต้องมาอยู่ก็สามารถศึกษาได้ ก็เดี๋ยวนี้มีทั้งซีดีมีที่หนังสือมีทั้งการถ่ายทอดสดให้ติดตามได้มีคำถามก็สามารถเขียนใส่ข้อความส่งมาถามได้เลยอยู่ที่ไหนก็ถามได้ครับอันนี้คือสภาพของสถานที่มันมันมีเขตมันมีปริมาณจากัดอือเดี๋ยวนี้คนมาบวชที่วันนี้ก็เยอะจนกระทั่งไม่มีที่ที่จะรับ แต่ก็ยังสามารถไปติดต่อสอบถามได้ไดถึงเวลาก็ไปไปหาพระที่กุฏิเบอร์สีเขาจะรับเรื่องบวชให้เรากุฏิเบอร์่เอกุฏิเบอร์4ีที่วัดยานรอจากจะบวชถ้่เขามีที่เขาก็บอกบวชได้แล้วก็ก็ส่งให้ไปหาเจ้าอาวาสไปขออนุญาต จ, จากเจ้าอาวาสอีกทีนก่อนแล้วถ้าเจ้าอาวาสอนุญาตก็อยู่ได้บวชได้ เราจะขึ้นมาข้างบนนี้ก็ต้องรอให้ผ่านเวลาผ่านการเรียนไปก่อนเอผ่านพรรษาหนึ่งไปก่อนตอแล้วก็ต้องดูว่าข้างบนนี้มีที่ว่างหรือเปล่าแล้วจะมาอยู่แบบเขาได้หรือเปล่าทําแบบเขาได้เปล่าเพราะที่นี่มันข้างบนนี้ตอนเช้ามืดต้องลงเดินลงไปแต่เช้ามืดต้องลงไปให้ทันบินตบาทข้างล่างอื ม, ม ก็ไม่มีรถต้องเดินเอ้าไปเองคือพระอาจารย์ครับความลำบากไม่กลัวครับเพราะว่าเพราะว่ามอบไปถวายชีวิตแล้วก็คิดว่าได้ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาะออการชีวิตที่เหลือนี่ก็คือจะมอบให้กับเอพระท่านอนได้ออันนี้ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังอ่ามันมีขั้นมีตอนมีมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามครับ ถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่มีปัญหานะโอเคมีใครอยากจะถามไหมาถามต่อเชิญกรรมลม ส, สการพระอาจารย์ค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วเข้าคอร์ปิดวาจากรรมฐ า, านแล้วนั่งสมาธิความรู้สึกนั่งสมาธิเหมือนเราตกเหวค่ะคือเหมือนตัวเหมือน หล่นไปในหิวแต่ใจจิตและลมหายใจยังเป็นพุโทโธพุโทโธก็ยังรู้ลมหายใจอยู่ว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ก็ดีถ้ามันตกเขวนี่แสดงว่าจิตมันเข้าสู่ความสงบที่การตกเหวนี่มันมีหลายหลายหลายระดับบางทีตกแบบขนเดียวถึงถึงความสงบ หยุดพุโทโธหยุดดูลมได้บางทีตกแบบเป็นขั้นๆตกแล้วยังพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปดูลมได้ก็ดูลมต่อไปมันยังลงไม่ถึงฐานยังไม่ถึงถึงพื้นของสมาธิถ้ายังพุโทโธได้ยังดูลมได้ก็พุโทโธไปดูลมต่อไปแต่แสดงว่าจิตเริ่มเข้าสู่ความสง บ, บเหมือนลดเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สอง เดี๋ยวก็จะเข้าเกียร์สามมันก็จะวุบลงไปทีหนึเดี๋ยวเข้าเกียร์สี่มันก็จะวุบลงไปทีนึงก็สําคัญก็อย่าหยุดทําทําไปจะสร้างรู้สึกว่าเราไม่ต้องทนะํานั้นเฉยอยู่เฉยๆได้จิตไม่ไม่ฟุ้งไม่วุ่นไม่คิดไม่อะไรจิตสบายจิตปล่อยวางวางเฉยกับอารมณ์ต่างๆเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่รู้สึกเจ็บเจ็บก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างนี้เราก็นั่งเฉยๆไป นั่งนานๆให้มันนิ่งนานๆขอบพระคุณเจ้าคือเวลาปฏิบัตินี้เวลามันเกิดผลขึ้นมานี้มันอาจจะไม่ตรงที่เล่าเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ก็สําคัญก็ขอยให้มันนิ่งให้มันเย็นให้มันสบายเอให้มันลืมโลกไปลืมร่างกายไปลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปให้อยู่กับคําศักท์แต่ว่ารู้อยู่กับความว่างไป นะคือความสุขคือความไม่มีไม่วุ่นวายใจเวลาวุ่นวายใจแล้วมันทุกข์พอหยุดความวุ่นวายใจแล้วแล้วมันเบามันสบายม่มีความสุขพอมันสุขแล้วก็พยายามประคับประคองให้มันอยู่อย่างนั้นไปานานๆยังไม่ต้องไปทางปัญญาตอนต้นนี้หัดทาสมาธิให้นั่งได้ดานานๆให้เก่งให้ชำนาญให้เข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ถ้าเราชำนาญแล้ว เ, เวลาออกจากสมาธิมาเราค่อยไปคิดทางปัญญาได้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหม ด, มอหมดพอหมดก็จะทุกข์<ม>ห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้<ม>เวลามันจะหมดหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้<ม>ให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร แล้วต่อไปถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ความอยากมันทำให้ใจเราไม่สงบพอเราตัดความอยากได้ความสงบมันก็เกิดขึ้นเองแต่ตอนต้นมันมีความอยากเราก็ต้องใช้สติหยุดมันก่อนมันจะได้สงบแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวที่ทำให้เราไม่สงบก็คือความอยากแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญามาสอนหาอยากไปทาตามความอยาก ทำแล้วมันจะทำได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุกข์แล้วเดียวมันก็จะอยากใหม่แล้วมันก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบก็อย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากหายไปหมดมันก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะสงบของมันโดยธรรมชาติเหมือนน้ถ้าไม่มีคนไปอาบไม่มีคนไปตัดไม่มีคนไปเล่น มันก็จะมันก็จะนิ่งของมันไปแต่ถ้ามีคนไปตักไปเล่นไปอาบไปไหว้มันก็จะไม่มีวันนิ่งได้อย่เราต้องทำทำลัลวล้อมรอบเขียนป้ายว่าห้ามเข้าห้ามเข้ามาอาบแล้วน้ามันก็จะนิ่งถ้าไม่มีใครไปยุ่งอันนี้ก็เหมือนกันใจเราที่ไม่นิ่งเพราะมันอยากเดี๋ยวอยากเรื่องนั้นเดี๋ยวอยากเรื่องนี้เดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มใช่ไหมมันไม่มีวันหยุด ใจเราเลยไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขที่เราไม่รู้ว่ามันไม่นิ่งมันไม่สงบเพราะความอยากของเร า, าถ้ า, าอยากจะถามว่าเอาไมโครโฟนกลับมาคนอื่นจะได้ยินคําถามคือพอดีชีวิตก็จะมีปัญหาหลายอย่างอะคะ่ะแล้วก็สมหวังหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่ด้วยอะคะ่ะ อันนี้ถือว่าผิดไหมคะอ๋อไม่ผิดหรอกแต่มันยังมันยังหลงอยู่มันยังหลอกเราอยู่ว่าไม่อยากความจริงมันอยากอยู่แต่มันกดเอาไว้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามลยอยากเพราะตอนนี้เรามันสมอยากเดี๋ยวเดี๋ยวพออยากจะกินกาแฟก็อยากเราไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวอย่าไม่เรามองว่าเออมันคือความอยากที่เป็นทางโลกอ่ะค่ะซึ่งมันก็เดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแต่เหมือนกับ เด็กๆเราอาจจะอยากไปเรียนต่อต่อตางประเทศหรืออยากจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานคือคือเราก็เคยผ่านจุดที่ที่เรารู้สึกมีความสุขกับตรงนั้นแล้วมันก็ก็ผ่านไปแล้วอะคะ่ะตอนนี้ถามว่าอยากไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรหรื อ, อ, อต้องการอะไรมากกว่า น, นี้ไหมก็คือไม่อะคะ่ะไม่แต่เราไม่รู้เองอยากอยู่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งอันนี้มันไม่อยากอยู่ไงคะไม่อยากอยู่ก็เป็นความอยากอีกอย่างค่ะต้องเฉยเฉย ค่ะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เนี่ยมันละเอียดพอมันไม่อยากแล้วมันเหมือนกับว่า<ม>ชีวิตมันไม่มีแก่นก็เลยแบบเออเนเรามาศึกษาธรรมะว่าว่าจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่ามีความไม่อยากก็เป็นความอาความไม่อยากก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งค่ะมันต้องเฉยเฉยเนีเรยถึงต้องมานั่งสมาธิเราถึงจะมาเจอจุดที่ไม่อยากจริงๆค่ะคือจุดที่เฉย ถ้าเรายังไม่ถึงจุดเฉยมันก็จะอยากไม่อยากความไม่อยากก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งไม่อยากอยู่ในภาวะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเอองั้นการที่มาบอกว่าไม่มีความอยากนี่มันยังยังถูกหรอกยังหมายถึงไม่อยากทางโลกอะค่ะแบบไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้อย่างเงี้ย ไม่จริงเหรอเดี๋ยวใครให้เสนอมาให้สักร้านหนึ่งก็เดี๋ยวความอยากก็โผ่ขึ้นมาก็ไม่ว่าทำงานได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวใครมาเสนอเนีอยวิธีได้เงินล้านขึ้นมานี่ดู๋ยวเสีความอยากมันจะโผลขึ้นมาเปล่าไม่ใช่รวยมากแต่ว่าเคยเหมือนกับมีเงินมากกว่านี้แล้วเราไม่มีความสุขกับในตอนเป็นเด็กเรามีเงินน้อยกว่านี้แล้วเรามีความสุขอันนี้มันก็พูดได้น้อยเราเวลาเจอข้อสอบมันจะเยอะรู้ ค่ะอืไม่เป็นไรไม่อยากได้ก็ดีค่ะแล้วอย่างอพี่เขาแบบเหมือนเบื่อแบบเขาเล่นไม่อยากเป็นว่ยตายเกิดแล้วเขาบวชเป็นพระใช่ปะคะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็บวชชีไงนี่เราก็บวชชีได้เหมือนก็เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนก็มีวัดที่ให้ ชีอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อยอะค่ะคุณกวาดหาได้ก็คนเป็นบวชีมีน้อยมันก็วัดก็เลยมีน้อยสําหรับแม่ชีอืถ้ามีแม่ชีบวชมากมันก็จะมีวัดมากขึ้นไปเองอันมีบวชน้อยมันก็เลยหาได้มันก็เลยมีน้อยอืถ้าถ้ามีการบวชชีมากมันก็ต้องมีวัดมากขึ้นไปเองแหละมันอยู่ที่ปริมาณของคนบวชเมื่อมีคนบวชก็จะมีคนสร้างวัดให้อยู่เองและวเมื่อมีคนศรัทธาอยากจะสนับสนุนอยู่แล้ว ยิ่ไม่มีคนบวชสิพิชซุนีมันหมดไปเนี่ยมันหมดเพราะไม่มีผู้หญิงอยากจะบวชเป็นพิกษุณีมันก็เลยหมดไปค่ะ<ฆ>อยู่ได้แค่พันปีก็หมดค่ะเ<ฆ>พราะจะเป็นพิกษุณีนี่มันบวชยากยิ่งกว่าบวชพระสินเยอะกว่าสินก็เยอะกว่าข้อที่ก่อนจะบวชก็ต้องถือสินสินสิบอยู่สองปีสามสค่ะแล้วก่อนจะบวชก็ต้องถือศินสิบอยู่สองร้อย ถึงสมเงปีอถ้าขาดข้อไหนก็ต้องเริ่มนับใหม่มถ้าบวชถ้าถือศีลสิบมาได้ปีเก้าเดือนแล้วเกิดไปทําผิดข้อหนึ่งก็ต้องนับเริ่มนับหนึ่งใหม่พระพุทธเา้าทําให้มันยากด้วยท่านไม่อยากให้ผู้หญิงบวชเพราะอยู่บวชแล้วมันยุง่งผู้หญิงมันยุง่งมันเรื่องมากแล้วมันดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ปลอดภัยต้องมีพระมาคอยคุ้มครอง ไม่มีพักคุ้มครองนี่ก็พากก็ถูกดูดไปอีเขวีก็เลยมีอะไรมันมันเป็นภัยกับศาสนามากกว่าเป็นคนถ้าเลยไม่อยากบวชให้ตอนต้นนะในความเป็นจริงคือบวชชีกับบวชสามเนตต พิษุณีอะค่ะถ้าเราไม่นับเรื่องสีนะคะคือจริงๆคือเน้นการปฏิบัติมากกว่าถูกไหมคะถ้าเราเน้นปฏิบัติเราจะเป็นชีหรือว่าเป็นเปพิสูนีก็ไม่ต่างกันสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันค่ะแค่นั้นเองพอดีเห็นเขาเถียงกันเรื่องพิษุนีอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็มองว่าจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบทเป็นอะไรแต่ว่าคุณปฏิบัติจริงหรือเปล่าถ้าเราต้องการปฏิบัติเรื่องจะเป็นภิกษุนีหรือเป็นแพศชีก็ไม่เป็นปัญหาเลย แต่ถ้าเราอยากจะบวชเพื่อเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีนี่มันก็จะเป็นปัญหาเพราะเราจะถือว่าเป็นภิกษุณีนี้เก๋กว่าเท่กว่าเป็นเหมือนพระมีเกียรติมากกว่ามีเกียรคนเขาลกนับถือมากกว่าถ้าเป็นแม่ชีรู้สึกจะมีคนไม่ค่อยเคารพกันเท่าไหร่เขาก็เลยไม่อยากจะเป็นแม่ชีกันถ้าบวชแบบนี้ก็อย่าบวช ด, ดีกว่าถ้าบวชเพื่อมีตาแหน่งมีฐาน ะ, ะบวชเพื่อเกียรติบวช บวชเพื่อยศก็อย่าบวช ด, ดีกว่าเพราะการบวชนี้เพื่อตัดเกียรติตัดยศเนียยังไม่ได้ละจริง อ, อ, อก็เนี่ยมีนิทานให้เราให้ฟังตอนที่ญาติของพระพุทธเจ้าห้าองค์เจ้าชายห้าองค์อยากจะบวชเนี่ยแล้วก็มีคนช่างตัดผมประจออําพระองค์<า>ขอขอบวช ด, ด้วยนี่ก่อนจะบวชเจ้าชายทั้งห้าองค์ก็เลยมาปรึกษากันว่าน่าจะให้ ให้ช่างตัดผมนี่มันบวชก่อนเพราะใครบวชก่อนนี่จะถือว่าอาวุโสกว่า <c oughs> คนที่บวชที่หลังก็จะต้องกราบคนที่บวชก่อนคเ <c oughs> นี่ยถ้าต้องการบวชเพื่อตัดเกียรติยศกัดการถือตัวว่าเป็นเจ้าชายพอบวชแล้วให้ช่างตัดผมบวชก่อนพอช่างตัดผมบวชก่อนก็ถือว่าเป็นพี่ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่กว่าเวลาเจอกันทุกครั้งผู้น้อยก็ต้องกราบผู้ใหญ่ก่อนค <c oughs> น, นี่เขาบวชเขาบวชอย่างนี้เขาไม่ได้บวชเพื่อเกียรติยศบวชเพื่อให้คนอื่นมากราบบวชเพื่อที่จะไปกราบคนอื่นอืค่ะเข้าใจไหมใหพระบวชใหม่ที่ต้องกราบพระทุกลูกที่บวชก่อนอค่ะคุณค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสเรียนถามค่ะการที่มนุษย์เราจะมีความฉลาดและมีปัญญาทางธรรมขึ้นอยู่กับ วาระและช่วงจังหวะเวลาของคนคนนั้นใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ใช่หรอกมันขึ้นอยู่ในเป็นคนคิดเองเป็นหรือเปล่าคถ้าคิดเองเป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลก็ฉลาดอย่างคนที่นั่งเห็นผ ล, ลไม้หล่นลงมาจากต้นไม้แล้วถามตัวเองว่าทําไมไมันไม่ลอยขึ้นไป ค, คนช่างคิดช่างถามอันนี้ก็ฉลาดได้ ถ้าไม่ฉลาดก็ต้องมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนฉลาดคนฉลาดจะได้สอนให้เราคิดตามเขาก็อนเขาคิดแบบนี้จึงทําให้เขาฉลาด <Yeah. S 1> ถึงให้ต้องไปโรงเรียนไงทำไมเราไปโรงเรียนกันเพราะโรงเรียนมีครูครูนี้ฉลาดกว่าเราเ่ยครูเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็สอนเรา <Yeah. S 1> งั้นมันก็อยู่ที่ ถ้าเราคิดเองเป็ดสอนเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้ก็ต้องมาให้คนอื่นที่เขาฉลาดกว่าเราสอนเราก็ยังค่ะก็ยังสรุปว่าอย่างเราเองเราก็ต้องหาคนมาสอนอทีนี้โอกาสจังหวะชีวิตเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครยังไม่มีใครพระอาจารย์ก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานก็ไม่เคยได้มีโอกาสไม่มีใครแนะนําให้มาพอมาแล้วก็มีการเรียนรู้ทำมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่า อ, อ, อันนั้ น, นก็ถือว่าเป็นจังหวะ เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้ธรรม ะ, ะแล้ววันดีขึ้นดีก็มีคนนอนหนังสือธรรมะมาให้เราอ่านเล่นหนึ่งพอเราอ่านแล้วเราก็ติดใจเราก็เลย<ช>หาหนังสือธรรมะมาอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ช>พออ่านมากขึ้นม า, มากขึ้นก็รู้ว่าต้องทําอะไรก็เลยทําทําแล้วก็เลยรู้ว่าทำแล้วได้อะไรขึ้นมาอ<ช>มันก็ต้องแต่มันก็ต้องมีโอกาสมีจังหวะถ้าเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ส่งเราไปโรงเรียน ถ้าพ่อแม่ยากจนก็ไม่มีโอกาสก็อย่างพวกโรกชาวต่างชาติพวกเขเมพรพม่ามาทำงานนี่เขาก็ไม่มีโอกาสไปงเรียนพาโรงเรียนเขาก็ไม่ให้เรียนเพราะเป็นต่างชาติมันก็ต้องมีโอกาสด้วยถึงจะได้เรียนรู้ได้แล้วต้องมีที่เรียนรู้มีคนสอนถ้ามีโอกาสแต่ไม่มีคนสอนก็ไม่มีก็ไม่มีโอกาสก็ไม่ได้เรียนรู้อยู่ดี ถ้าไม่มีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้เรื่อง เ, เหล่านี้ที่เรารู้กันอยู่ในทุกวันนี้แต่พระสงฆ์หรือพระที่จะสอนเราก็ต้องก็พระมีสองสองแบบไงพระเรียนกับพระสอนไงพระที่บวชใหม่นี้ไม่ถือว่าเป็นอาจารย์ใช่ไมยังเป็นนักเรียนอยู่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แต่ถ้าบวชไปเรียนไปปฏิบัติไปต่อไปก็เป็นอาจารย์ขึ้นมา แล้วก็มีพระที่เป็นนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนหนีห้องเรียนไม่เข้าโรงเรียนก็เรียนไม่จบสักทีแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเรียนไม่จบกลับไปทำตัวเป็นอาจารย์สอนคนอื่นก็เลยสอนให้คนอื่นโง่าตามนั้นคนที่จะศึกษาก็ต้องรู้ว่าใครเป็นอาจารย์ใครไม่เป็นอาจารย์วิธีจะรู้ก็เราต้องศึกษาเองศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาจากพระตไตรปิฎก แล้วเราก็จะรู้ว่าอาจารย์ที่เราไปหาว่าเขาสอนเป็นหรือไม่เป็นถ้าเขาสอนเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องเนีนเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าอาจารย์ที่เราไปเรียนด้วยเนะี่ยท่านรู้ตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าเพราะการเรียนกับอาจารย์มันดีตรงที่ว่ามันตอบปัญหาเราได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเวีเราเรามีคาถาม ถ้ามีแต่พระไตรปิฎกบางที่จะต้องไปนั่งค้นอยู่หลายวันก่อนจะไปเจอคำตอบใช่ไ้ยแต่ถ้ามีคนที่เขาปฏิบัติได้เขาสำเร็จแล้วเขารู้เรื่องแล้วพอไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเขาเขาก็จะอธิบายให้เราฟังได้แลีมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระ เ, เจ้าสอนอะไรเป็นหลักไว้แต่ได้รู้ว่าอาจารย์ที่เราไปเรียนต่อว่าท่านสอนตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่า ถ้าเราไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนอะไรเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถ้าผิดก็ผิดกันไปหมดเนี่ย่างทางที่ดีก็ควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนหาหนังสือธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกอย่างทางศาสนาทางประเทศไทยเราก็จะหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอาธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกให้เราอ่านให้เรารู้ว่า มีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รู้ว่าถ้าใครสอนอะไรนอกเหนือจากที่เขาคัดออกมาก็จะได้รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่คําสอนที่ถูกต้องค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะโอเคและนะ้วเ น, นี่ยอะไรพอดีวันนี้เวลาหมดพอดีทางบ้านก็เลยวันนี้ไม่ได้ถามเป็นสักก้ออย่างเงี้ยเอเพราะว่ามีคนที่มาอยู่ที่นี่ขอถามกันเสหมดก็นานๆจะมีอย่างนี้สักที